ดับต่อไปก็ให้พากันตั้งใจเป็นสมาธิรับตาอย่ามองคนอื่นให้มองดูหัวใจตัวเองมองคนอื่นมันข้ามไปจากตัวเองเลยไม่รู้ตัวว่าเป็นอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง มันเกิดขึ้นจากกิจใจตัวเองการภาวนาก็อยู่ที่เราเรามานั่งสมาธิเรามานั่งปฏิบัติเรามานั่งภาวนาบตาพิจารณาพิณิตพิจารณามันสงสัยขาใจสงสัยที่ตรงไหนเราควรจะลดจะละจะปล่อยจะวางอยู่ที่ตรงไหน นี่มันจะมานั่งหลับตาเฉยนะหลับตาปวดแช่งปวดขาถึงเวลาออกออกไปไม่รู้เรื่องไม่ได้เห็นธรรมะไม่เห็นความประทับใจมันก็มีประโยชน์อะไรวเวลานั่งต้องเอาจริงเราจะบริกรรมภาวนาพุทโธก็ได้ ทำโมสังโคก็ได้หรือกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ง่ายนิดเดียวเราไม่ต้องไปเรียนรู้มากให้รู้แต่พุดโทรูลมหายใจหายใจมันเป็นไงม่หายใจเขา้าหายใจออกมันเช่นนั้นดูเช่นนั้นมิสติรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้มีอดีตอดีตตัดให้ได้อนาคตอย่าให้มี ถ้ามีอดีตนาคตมันก็วุ่นวายมันมีนาคตอยู่มันก็ปรุงก็แต่งไปเรื่อยๆถ้ามีอดีตมันเกิดึงก็มามาชิดมาพุุงมาแต่งความสงบมันจะมาจากที่ไหนเราต้องเอาจริงคำว่าพุทโธจังพุทโธอย่างจริงกาหนดลมหายใจเอาลมหายใจมาถึงห้านาทีเยถ้าเราเอาจริงนะ กำหนดเพ่งพนนพินพจรารณาเพ่งดูว่าใจมันอยู่จริงหรือไม่ต้องสำรวจตดตาดูว่ามันอยู่หรือมันไปมันคิดอะไรมันอยากอะไระต้องดูต้องดูแลต้องพิจารณาตัวเองอเราว่นนั่งพอยนั่งวางนั่งสำระศาสสังให้ใจิตใจผ่องใสไม่ให้ใจมันวุ่นวาย แต่ว้นวามันหาเสือความสุขควสงบไปได้ไม่มีความสูขกับความเว้นวายเนี่ยมันมีแต่ทุกข์เนี่มันไม่มีสิ้นสุดเลยเรื่องจิตเรื่องใจนี่มันพุงมันแต่งได้ทั้งวันทั้งคืนที่นอนหลับมันยังพุงยังแต่งอีกอ่ะไม่ใช่ธรรมดาใครระงับดับได้ใครทําความสงบทําใจให้เป็นสมาธิได้คนนั้นอยู่อย่างเบาอยู่อย่างสบาย นอนสบายนั่งสบายยืนเดินนั่งนอนสบายไม่มีปัญหามีภาร ะ, ะหน้าที่ก็คิดในบางครั้งบางควงครังบางเวลาที่เราจะต้องคิดเพอถึงจบวภาร ะ, ะหน้าที่เราก็มากําหนดจิตใจให้เป็นสมาธิเราจะพิจารณาอะไรก็ได้กําหนดลมหายใจเขา้าหายใจออกง่ายง่ายง่ยรเราจะพิจารณาอนิจจง ควบไม่เที่ยงของสังขารสังขารมันเป็นยังไงมันเที่ยงไม้แต่ละเมื่อแต่ละวันมันเจ็บมันปวดมันแปรมันพวดมันเปลี่ยนมันแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะดูหรือไม่ดูมันอยู่ที่เราเองอ่ะเราไม่ดูมันก็เม็นรูปมันจะปรากฏมันแสดงอยู่ประกาศตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็รูปเพราะเราสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันอยู่กับพุทโธม่อยู่กับลมหายใจก็ออก มันจะอยู่ในปัจจุบันทุกมันก็ไม่รู้หรอกสุคมันก็ไม่รู้พราะใจมันฟุ้งซ่านนั่นพอใจมันกำหนดอยู่เป็นหนึ่งแล้วหนึ่งไม่มีสองนะออยู่ในพู้โทรือกำหนดลมหายใจเนี่ใจมันจะค่อยปล่อยคลอยวางอะไรเข้ามาเราก็หักกห้ามเราแท้สติแท้ปัญญาพิจารณาเพิกเผยออกไปอย่าให้มันแทรกแซงเข้ามาในหัวใจ ให้เราคิดว่าในขนาดนี้เรานั่งอยู่ในโลกคนเดียวไม่มีลูกไม่ีผัวไม่มีลูกไม่ีหลานไม่มีสมบัติพัฒน์ฐานไม่มีสังขารร่างกายปล่อยว่างให้หมด เ, เรากำหนดเราฝึกฝึกก่อนตายเวลาจะตายจะทำไงเราจะแบกสังขารร่างกายแบกบลูกแบกบหลานแบกบลูกแบกบผัวนี่เป็นทุกตายเลยตายแทนที่จะไปดีมีสุขไม่ห มันก็มุกไปเวียนมามันห่วงมันห่วงที่ไหนมันก็ไปอยู่ที่ไหนเกิดที่นั่นแหละแค่จะไปสวรรค์แค่จะไปพระนิพพานนั้นไปไม่ได้เพราะใจมันไปเกาะไปห่วงไปยึดไปถือไปสําคัญมันหมายว่านี่เป็นของเราเป็นที่อยู่ของเราเป็นของเรามันก็ยังห่วงยังแ寒ยังเสียดายยังปล่อยัยงวางไม่ได้มันจะไปสวรรค์ น, นิพพานได้ไงเพราะนั้นเราต้องฝึกก่อนตาย ตาเรามีใครได้ได้ไปได้เคยคิดไมมแต่ละเมือ่อแต่ละวันคิดเรื่องอนิจจังคิดหรือไม่คุยเว่าะมีเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมีแปรปวนในท่างกลางมีแตกสลายในที่สุดไม่มีมนุษย์ดักคุดเอน็นุมมที่ไหนจะอยู่ได้จะทุกข์จะจนจะล่ำจะรวยจะสวยจะงามซักปันใดเอาเถ อ, อะมันจะแจ่ไหมมันจะเจ็บไหม ม, ไห ม, มันจะตายไหมเวลาแย่แล้ว มันสุกหรือมันทุกเห็นไม้มคนแก่นั่นน่ะอายุเจ็ดสิบปดสิปีก็นั่งกอ็อวยลุกก็อวยแล้วมันบง่บงบอกออกมาชัดเจนเลยแต่ตามันก็เห็นหูก็ได้ฟังตาใจมันก็รู้แต่ทําไมแม่ยึดมาเนาะมาพิจารณาว่าเราก็เนี่ยสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้เราพอใจยินดีไหมคนแก่สวยไม่งามไหม โสภาหไหยน่ายินดีพอใจไหมแจกแล้วไม่มีใครต้องการหรอกรอวัออนตาย อ, อ่นั่นเนื้อหนังมังหังสังเหีห่ยวแห้งหมดเออเสื้องามันมันหายไปไหนอ่มันหายไปเพราะมัน ม, มันไม่เที่ยงมันนี่เนี่ ย, ห, ยหายไปทีนี้ทีหน่อยหายไปทุ่มืันทุกวันเราไม่เชื่อท่องจดูดูมันเป็นยังไงบ้างนั่น เ, เราจะได้เห็นว่าโอ้เรานี่แจ่จริงนะ อ, อ่มีเจ็บมีแจ่ ถ้าแย่มากๆก็เป็นทุกข์อยู่ก็เป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์ไปหมดเพราะความแย่หาความสุขความสบายในชีวิตชีวาไม่ได้นั่นพอแย่มากๆแล้วก็ทนความแย่ไม่ไหวก็ขาดจะตายตายได้ได้เละพยมได้ไหมลูกของเราอยู่ตรงไหนหอบพามไปได้ไหมพ่อแม่ของเราไปกับเราได้ไหม เงินทองก็ของมีมากาปมหาศาลสะสมวข่ของกูของกูเวลาตายแล้วได้อะไรไปเงินสตังค์เดียวยังเอาไปไม่ได้กระดูกชิ้นเดียวยังเอาไปไม่ได้มันสโลดใจไหมมันไม่อยู่ทำไมมันชิดได้ว่าเป็นพวกเรานี่คือความเข้าใจผิดชิดผิดเห็นผิดพระเจ้าว่าไม่ใช่นาะนเรานี่มันถูลูตุรังไม่ฟังคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าวันพิจารณาเห็นอันนี้จังนะ เห็นทุกข์น้าเห็นหน้าตานะใจมันจะไม่ยึดไม่ติดไม่สําคัญมม่หมายเวลาธาตุจะแตกขันจะดับเอมันจะไม่ได้กังวลไม่ไม่ได้เสียหุ่งเสียใจอยู่กหน้าตายไม่เป็นไรบัณฑิตนักป่าท่านพิจารณาอยู่ทุกวันทุวันทุวันเนี่ยถ้าไม่วันไหวายโยมพิจารณามม่ลงตัวทุกวันเออพิจารณวันนี้ก็เห็นความเจ็บวันนี้ก็เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นมันทุกวันเห็นมันทุกวันมันจะว่ายังไง ใจมันก็ยอมรับได้นี่วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่งมันคิดไปที่ไหนบ้างมันเด็ภาวนาาไหมเด็กพิจารณาสํารวจตรวจตาสังขารร่างกายหน้าจังทุกครั้งนึกตาหรือไม่นี่ส่วนมากมันไม่ใช่หรอกจิตใจมันแสบสายเพลิดเพลิเพนเจริญไปที่ไหนหมั่ไปกระสุกสระสวยไปทั่วที่ทั่วแดนนั่นมันก็เลยอยู่แบบไม่รู้เรื่องลู่ลาว เวลาจะตายจริงๆก็เสียอกเสียใจลำพึงลงให้เสีย อ, อกเสียใจกลัวจะพัดภากจากกันถึงอยากจะไม่อยาก จ, กจากก็จะจำเป็นจำใจจะต้องจากกันไปไม่วันใดก็วันหนึ่งจากกันแน่นอนไม่อยากจากก็จากไม่อยากตายมันก็ตายไม่อยากแก่แกมันก็แฉ่เราจะเอาตรงไหนเป็นปของเรานั่นพิจารณาทุกวันพิจารณาทุกวันทุกวันแล้ว ใจมันก็รู้เรื่องเหมือนกันเหมือนกับเรามีลูกนะเราต้องสอนมันทุกวันมันไม่รู้เรื่องรู้ราวเราสอนมันทุกวันทุวันทุวันสอนไปสอนมามันรู้เรื่องรู้ราวไม่เข้าใจพ่อแม่บอกว่านอนสอนง่ายพ่อแม่ฉันจะสุขสบายเพราะลูกอยู่ในโอวาทลูกเชื่อฟังลูกรู้เรื่องรู้ราวถ้าหากว่าลูกนี่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยพ่อมันเป็นทุกข์สนุกทั้งเป็น นี่คือเหมือนกันแหละใจของเราเมื่อฝึกฝนดีแล้วรู้แล้วรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะอยู่ข้างหน้าเรานี่นะเกิดมาได้จะเป็นอย่างนี้นะต้องแกนะ่หน้าต้องเจ็บหนะ้าต้องตายนะต้องพัดพากจากกันนะอสอนมันทุกวันบอกมันทุกวันสอนตัวเองบอกตัวเองคุยกับตัวเองทุกวันทุกวันนุว น, วนจะไปคุยกับคนอื่นเสียเวลา คุยไปคุยมากอกอ๋อมันจริงนอเนี่ยเมื่อมันจริงใจกระสงบใจมันมาเพุ่งเพื่อมใจมันมาเปิดไม่เปินมันอยากกาหนดเข้าไปเนียโอ้เห็นความแจกรู้เห็นความแจกรู้มันไม่อยากได้อะไรหรอกคนเห็นความเจ็บเลี่มันไม่อยากได้อะไรหรอคนมันเห็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเรามันอยากจะได้เลยมันมีอะไรจะได้มันอยากจะได้อะไรนี่แต่มันจะลดจะละจะปล่อยจะวาง รถแต่นิดรดแช่หน่อยพิจารณาไปพิจารณาไปเห็นไปรู้ไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในสรรพังร่างกายมีแต่อนิจจังมีแต่ทุก์มีแต่หน้าตามันจะมายึดมาถือมาเอามแบบปมะหามเอาไปทำไมนั่นเราคิดว่าเราโง่ราดุจฉลาดจะเอาไปทำไมเอามันก็ไม่ได้ถ้าเราปล่อยระวางได้เวลาขาดใจเวลา้าจะแตกขันับมันมีปัญหา ไม่กลัวถือว่าเป็นธรรมดาเพราะเราเนีพิจารณาทุกวันทุกวันเดจะไปกลัวทำไมแล้วพิจารณาทุกวันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ะจะไปกลัวตรงไหนตายคือตายเจ็บคือเจ็บตายคือตายตายไปแล้วถ้าจิตเด็ดมันยังค้องยังคา ย, ยังสงสัยคายใจมันยังเสียดายอยู่มันยังไม่ยอมอมันก็ยังใจลึ ก, ลกๆเด็ยมันอยากมาเกิดอีก มีความคิดมีความบาดถนาะอยากมาเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์ยังมีความพอใจยินดีมันก็มาอีกอถ้าเราตัดได้โดยเด็ดขาดเห็นโดยตามความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งอย่างเป็นอย่างนี้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายมันไม่เอาอีกแล้วสังขารร่างกายมันมีมีมีเจ ม, มหันตทุก์มันก็ปล่อยทิ้งได้ไปอย่างสบายไม่ห่วงหน้าห่วงหลังลูก ว่าจัดได้พวก็ตัดได้เมียก็ตัดได้สมบัติพิสิทานมันก็ตัดได้มันเป็นอัตโนมัติเพราะมันรู้จริงแล้วถ้ารู้ไม่จริงเนี่นกะสงสัยคาใจอยู่อจะติ่งจะปล่อยจะวางก็จะไดยนั่นเพราะเราพิจารณาไม่เห็นเข้าไม่ถึงสัมมาอันแท้จริงถ้าเราเข้าถึงสัมมาอันแท้จริงแล้วจิเลศมันพังทลายมันอยู่ไม่ได้มันเห็นหมดจิตเรศจะมาปิดมาบังมากบ้าง มากั้นมาขวงธรรมะนี่ไม่ได้ธรรมะสูงกว่าแข็งกว่าดีกว่าสูงกว่าดีกว่านะไม่ใช่ว่าธรรมะมันด้อยนะแต่เราไม่ปฏิบัติธรรมะเราไม่เข้าไปถึงธรรมะเชื่อว่าเรานี่สู้กิเลสไม่ได้ความจริงเราไม่สู้สู้กลาง ๆ, ๆก็แพ้มันแพ้มันม น, น, น, น, รร น, นี่ก็แพ้พวกนี้ก็แพ้ปรนนี้ก็แพ้ก็เลยทอถอยก็เลยมองไม่เห็นว่าจะแจกจะขายจะเปลี่ยนจะแปลงยังไง มันดินนักป่าท่านพิจารณาแล้วท่านรู้ท่านเห็นแล้วมันไม่มีปัญหามองดูวันไหนก็เห็นกําหนดดูเวลาไหนก็เห็นเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นหน้าตามองไปคนอื่นมองห้าตัวเราเองมันก็พอๆกันผู้หญิงผู้ชายคนร่ําคนรวยคนสวยคนงามมันก็พอๆกันน่ะมันก็ตายเหมือนกันน่ะใครจะไม่ตายมันรวยก็ตายมันจนมันก็ตาย หมูหมาเป็ดไก่มื่อกลายแล้วมื่ตายเกิดมาในโลกมีไหมนั่นท่านพิจารณาทั่วทั้งหมดในโลกปัจจุในโลกในสงสารนี่ไม่สงสัยห้องใจเรกเมื่อตายได้เราเกิดมาแล้วมันจะต้องมีเกิดแล้วจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหนีไปที่ไหนถามดูมดูให้ดีเวลาจะตายเป็นยังไงบ้างเรามีความขอจะยินดีไหมอยากจะตายไหมแต่เมืนอกี้นี้บางคน นีไม่ได้มันขวงหน้าเราอยู่นี่เราพี่นาทุกวันทุกวันนี่มันจะหนีไปไหนใจก็สงบใจก็เยือกเย็นพิจารณามองอะไรเห็นหมดเลยจะดูอันนี้จังโอ้มันอันนีจังจริงจนาะนี่มันน่าสุดใจทําไมเรามาพอจะยินดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พี่นาดูทุกกําหนดดูทุกทุกมันปรากฏมันแสดงดูทุกเรามายใจเขาบอกทุกเวล่ะทุกเวลอมีเวลา เ้วทำามาจะมาพอใจยินดีของมันมันเป็นสระไม่เป็นเกลียนสารเรายังมัพอใจยินดีแล้วงูแล้วฉลาดพิจารณาไปอา้านี่ทุกอย่างเป็นเป็นอนาตตาพ่อแตกดับแล้วถ้าสิดินน้ำลาไปมันแตกสลารกายเป็นดินน้ำลาไฟแล้วตัวของเราอยู่ตรงไหนของเราอยู่ตรงไหนมีตรงไหนที่มันนี่ก็คือใจนี่มันไม่แตกมันไม่สลายใจมันไม่ตายนายม ใจแม่แตายบุญกุศลที่เราบําเพ็ญมาเป็นนิสัยเป็นสายบุญกุศลศีรษะสมมาอยู่ในหัวใจใจไปไหนบุญไปกับเราได้ทุกสถานที่ทุกแห่งทุกผลบาปก็เช่นเดียวกันนั่นไปกับเราได้แต่พ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ไปได้ชั่วระยะหนึ่งหรือว่าเป็นบางครั้งบางข่าวไปกักันได้เวลาตายแล้วตัวใครตัวมันนะ พ่อก็พึ่งไม่ได้แม่ก็พึ่งไม่ได้ลูกก็พึ่งไม่ได้เงินก็พึ่งไม่ได้อะไรก็พึ่งไม่ได้เราคิดหรือไม่นี่คือการปฏิบัติภาวนาเพื่อจ ะ, จะลดเจริญเพื่อจะปล่อยจะวางเพื่อจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในการเว็นว่าจะเกิดในบัตสัสงสาร <c oughs> เพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องกาจัดเราต้องพัฒนาต้องสารวจตัวตา อยู่ทุกวันทุกวันความแจกความเจ็บ ค, ค, ความตายเป็นยังไงนอบุญกุศลเราสะสมเป็นที่พึ่งพอใจหรือยังล้ว เ, เกิดขึ้นมาเราจะได้ได้เป็นทุนเป็นกำไรคิดหรือไม่เราได้มากได้น้อยพอเพียงหรือไม่เป็นที่พึ่งพอใจหรือไม่บาปเราทำมามากซักปันใดบุญเราก็ทำมำเป็นมามากน้อยซักปันใดเราต้องสารวจตัวตาถ้าเรายังรอดอยู่บุญกุศลยังไม่พอเพียง ยังไม่เป็นที่พึ่งพอใจเราทําให้มันเจริญได้ทําให้สูงได้ทำให้มากได้ถ้าเราไม่เอาใจใส่นก็อยู่ไปตายไปไม่มีประโยชน์อยู่ร้อยปีพันปีก็ไม่มีความหมายเพราะมันไม่สนใหญ่ธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนมาตั้งแต่เราเกิดมาดีกวสอนไม่ดีก็สอนบาปก็รู้บุญก็รู้นรกก็บอกมาทุกวัน โลกก็มีสวรรค์ก็มีพระพันก็มีเอาเอาพ้นทุกข์ก็มีอาจจะมาเกิดอีกได้จะไปเป็นเปรเป็นผีก็ได้เราจะไปทางไหนเรามีมันสมองดีๆกินข้าวทุกวันเอาไว้ทําไมมันสมองแช่มันเป็นประโยชน์ถ้ามีคุณค่ามีราคามันจะมัเสียเวลาเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาว่าจะเกิดมาเป็นพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าค้เจ้านี่ไม่ใช่ธรรมดานะ เรามีบุญนะโยมเราถึงจะเป็นมนุษย์ถึงจะเป็นคนถ้าบุญไม่ถึงบุญไม่มีจะเป็นหมูเป็นหมามนะหมูหมามันอยู่แบบไหนกินําดินกินตําน้าบ้านก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยพ่อแม่เกิดขึ้นมาไม่ทราบไปที่ไหนพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ตายเหมือนกับหมูกับหมาเห็นไหมแล้วจะแบบหมูหมาหรือเอาแบบมนุษย์พวกเรานี่มันมีบุญมีวาสนาแล้ว อย่างงั้นก็พอให้สร้างพุณงามความดีตายแล้วอย่าให้ไปเป็นเป็ดเป็นผีเป็นสัตว์นรกมันหมกไหมมันลําบากมันเดือดร้อนมืดวายเกิดขึ้นมาขอให้เป็นมนุษย์ให้เกิดมาจากคุณที่ดีพ่อดีแม่ดีลูกดีสามีดีปัญหาไม่มีสังขารร่างกายไม่มีโรคมีภัยไม่มีไข้ไม่ีเจ็บก็เป็นบุญเป็นบารมีเป็นสวรรค์ในโลกมนุษย์ได้ นั่นแค่เราให้ทานรักษาศีลอย่าพากันประมาดผัดวันประกันพรุ่งอย่ามองข้ามในการกระทําบําเป็นเมื่อพวกเราทั้งหลายเนี่ยทํามานี่มันถูกต้องแล้วดีแล้วอย่าท่ออย่าถอยอย่านี้อย่าไปที่ไหนให้ดําเนินนั่เจริญก้าวหน้าขึ้นไปทุกปีปีที่แล้วเป็นไงปีนี้เป็นยังไงมันดีกว่าเก่าหรือมันถอยลงมันต้องสํารวจตัวตา ถ้าเราไม่เทคแคร์ดูแลไม่สํารวจตัวตาไม่รู้ว่าเราต่ำหรือเราสูงหรืเราดีเราเฉลยยังไงไม่รู้เพราะนั่นเราต้องดูตัวเองศิ้นเป็นไงนบริสุทธิ์ไหมสิ้นห้าบริสุทธิ์ไหมข้อที่หนึ่งบริสุทธิ์ไหมข้อที่สองบริสุทธิ์ไหมข้อที่สบริสุทธิ์ไหมข้อที่สี่ดีไหมข้อที่ห้าเป็นอย่างไรเราสํารวจตัวตาอยู่โอ้นราดีกว่าไปที่แล้วนะ มีที่แล้วมันยังมีด่างมีพ้อยยังมีได้มีเสียมีขาดมีเกินปีนี้ดีกว่าเก่านั่นถ้ามันดีขึ้นอย่าให้มันดีลงอทานแล้วกับพยายามภาวนาแล้วกับภาวนาทุกวันทุกวันอย่าขี้เกียดขี้มันไม่ดีเอไม่มาของไม่ดีเดี๋ยอย่าไปตามขี้มันไม่ไม่ได้ดี๋ยวมีแต่เสียไม่มีได้เลยครูบาาจารย์ท่านกับมีธาตุมีขัน มีสังขารร่างกายเหมือนกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยท่านพยายามอุตส่าห์พยายามจะทุกข์จะยากจะลําบากแค่ไหนท่านอดท่านทนอดทนต่อจิเรตดทนต่อข้าศึกทั้งหลายที่มันมาต่อต้านจิตใจของท่านให้ในวันไหวท่านไม่เคยที่จะหวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้งหลายสู้เดินหน้าลูกเดียวตาดาบหน้าไม่เคยถอยหลังนั่น มันก็ไปได้อยู่ถ้าเอาจริงเนี่ยมันไปได้มือนเราจะเดินทางแหละเราจะเดินทางไปบ้านบ้านมันไกลแล้วเดินทุกวันไปทุกวันเดินทุกวันมันก็ใกล้ข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ไปมันถึงจุดหมายปลายทางถึงบ้านเรามันก็น้ำอยู่ในตุ่มในาหายเนี่ยเราหยดต้องไปมันหยดุดระยุดเต็มไปได้ไหมนี่เราเียบเพียบ ม, มาใ ห, ให้ฟังบุก่กุศลพวกเราอย่าเชื่อว่า เ, เราทําไม่ได้ ผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุวัยเนะ่ยสามารถสร้างบุญสร้างบารมีไปสวรรค์ได้ทุกคนที่นั่งอยู่นี่ยเราจะไปสวรรค์หรือไปนระกต้องถามตัวเองต้องพิจารณาแล้วจะทําผิดทำพลาดทําผิดศีลผิดธรรมนี่เราต้องมีความลายมีความเกรงกลัวต่อบาป ก, กรรมต่อการกระทําความตายมันอยู่ข้างหน้านะความแจกความเจ็ บ, ค ว, จบความตายความบาดภาคมาทราบว่าคววันไหจะตาย เรื่องอะไรเราจะมาทำบาปทำกรรมมันกำเย็ดกำลังจะตายอยู่แล้วมันก็ต้องเตือนต้องบอกต้องดาอ่าเจ้าของอยู่บ่อยๆมันเพื่อจะรู้ตัวนะบางที่แม้กระหลงนะคิดว่าตัวเองดับตัวเองดีตัวเองรู้ตัวเองมีบุญมีบรารมีมันไม่ใช่น ะ, ะแล้วต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเสี้ยทีที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พุทธพุทธศาสนามีคุณค่าราคาแต่ละวันแต่ละวัน เราว่าพระสวดมนต์ภาวนาไม่ตายขึ้นหนึ่งหนาทีสิบนาทีทําจิตทําใจให้ผ่องให้ใสให้ดีให้งามจรวจตรวจตาตื่นขึ้นมาคิดถึงเรื่องบุญจะไม่คิดถึงเรื่องบาปเรื่องบาปมันเศร้ามันมองมันกุดมันมัว ม, ม, มันพุ่งสารางวุ่นวายตัวบาปไ ม, มป่มีแต่ตัวปัญหามีแต่ตัววุ่นวายตัวอับปี่เฉลยบุญกุศลนี่คิดเท่าไหร่ยิ่งเย็นเยือกเยือกยิ่งเย็น ยิ่งเยือก่งเย็นยิงมีความสุขปล่อยวางได้เท่าไหร่ยิ่งมีความสุขยิ่งเบายิ่งสบายอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนจะต้องข่มตัวเองให้ได้มาณาทิฐิผู้เจ้าบอกให้ลดไห้ละไห้ปล่อยให้วางให้ทอดให้ทอดให้ลดน้อยถอยลงไปอย่าเป็นผู้ที่มีมานาทิฐิตัวทิฐิมานาเนี่ยทำให้แข็งกระด้างทําให้หนัก มาใช่ของดีนะให้ลดละปล่อยวางได้คนนั่นอยู่อย่างเบาอยู่อย่างสบายตัวอยู่ไหนตนที่ไหนเล่าอยู่ที่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนให้ลดให้ละบ้างอย่าไปถือถือไปทําไมถือมันหนักแบกมันหนักใครลดให้ละให้มันลดน้อยถอยลงไปเนะี่ยคนนั้นอยู่อย่างเบาอยู่อย่างสบายอยู่อย่างเนื้อสมุิอยู่อย่างเนื้อลกเนื้อสงสารไม่ดีหรอ อย่าไปถือว่าโอ้ตัวนี้เจ๋งนั้นเจ๋งอย่างนี้ดีงนั้นดีอย่างนี้มันไม่ดีจริงอ่ะมันก็เข้าใจมันชิดไปไงมันสําคัญมันหมายว่าตัวเองดีมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาแล้วเราอย่าพากันประมาทอย่าพากันประมาทพาสวดมน์ภาวนาถ้าเรารู้จักแบ่งเวลามันมีอย่าไปคิดว่าโอ้เวลาไม่มีไม่ใช่หรอกมันมีทั้งนั้นแหละเวลา วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะจะขอเวลาครึ่งชั่วโมงไม่มีมันเป็นไปไม่ได้มันจะตั้งใจมันจะเอาหรือไม่ผู้ตถึงกิเลสมันออกตัวนะมันหาทางออกตัวเข้าข้างตัวอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างอยู่ตลอดเวลาเอาไปมาไม่ได้ทํานั่นใจก็เศร้าก็ะบองใจก็ไม่มีคุณค่าราคาเกิดขึ้นมาใจละเม่อละวัน ตา ย, ตายเฉยๆตายเฉยๆไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วอย่าขฆาเป็นประมาทนอนใจนั่งสมาธิพาวนาทุกวันทุกวันเนื้อใจก็สงบใจก็เยือกใจก็เยน็นใจก็สบาย เ, เมื่อใจสงบแล้วมันมีความสุขมีความสุขอยู่คนเดีมีความสุ ข, อ ย, ยสขอยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนมีความสุขอยู่ในโลกนี่ก็มีความสุขตายไปก็มีความสุข นะถ้าใจดีใจมีคุณธรรมแล้วไม่หวั่นไหวไม่อยู่ในความกลัวตายวันนี้ก็ได้คิดมาเวลาไหนโอ้เราไดต้ทำกิำงามวามดเีเรามีที่พึ่งทางด้านจิตใจแล้วเราตาเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าสวรรค์มีพระนิพพานมีนั่นมันก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะประพุ่งไปบัตรไปทุกวันให้ต่อเนื่อง ถ้าเราไม่คิดอะไรเดิไม่อ่านที่อะไรอะไรเลยเนี่ยมันมันลําบากโยมอคนตายอจะมาไปในโรงพยาบาลโอ้โคนมันน่าสลดใจโยมคนมันเกิดมาแจ่จริงเกิดมาเจ็บจริงๆออกไปจนจะไม่มีที่จะเจ็บไม่มีที่จะจอดไม่มีที่ว่าจะไว้เนี่ยอยู่ดีๆคิดว่ามันจะแจ่คิดว่ามันจะไม่แจ่ไม่เจ็บไม่เป็นไม่ไข้ ไม่ป่วยไม่ใครพอไปเห็นมีทั้งเท่าทั้งแจ่สลามีทั้งเด็กทั้งหนุ่มทั้งสาวผมที่นาดูมันแจ่จริงๆนั่นแหละก็นอมาเป็นธรรมะผนที่สุดมันก็ไม่มีอะไรคนเราเกิดมาแค่นี้แหละเยอมากร้อปีพวกเราก็พันมากันท่วนอยู่นะ ก็นทราบว่าเดือนหนึ่งมีครูบาอาจารย์มาแนะมานำมาพำมสอนมาชี้แจงแสดงมาเตือนสติอยู่ก็เชิดว่าพวกเราทำดีถูกดีแล้วยมก็ทำไปตลอดถ้าเราไม่ทำอย่างนี้บางคนก็นไม่มีโอกาสเวลาที่จะให้ทาน ไม่มีโอกาสเวลาจะาสมท า, านสินต้องสมาธิภาวนาหรอกแล้วก็ช่วงนี้อาทิตย์หนึ่งสองครัง้งก็ได้นั่งสมาธิได้ภาวนาได้ดูจิต ด, ดูใจสำรวจตรวจตาเป็นยังไงใจสุขใจสบายใจทุกข์หรือใจเป็นยังไงบ้างมันก็ทำถูกทำดีที่สุดโยชนตะกี้ตะก่อนไม่จะทำแบบนี้ ไม่มีตัวไายตัวมันบางทีก็ได้ไปวัดบ้างไม่ ไ, ไปวัดบ้างนี่เลยมานั่งสมาธิภาวนาภาวนาอนุโมทนาสาธุด้วยที่พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ อ, อยากเป็นคนดีอยากมีคุ ณ, ณธรรมอยากได้บุญอยากได้กุศลอยากไปสวรรค์ไม่อยากไปเป็นเป็ดเป็นผีเป็นสัตว์นโลก เป็นพ้นนีของพวกเราทั้งหลายเราก็พยายามทำไปให้มันต่อเนื่องอย่าลดอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางสังขารร่างกายมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพิจารณาดูสิอะไรไม่แน่นอนสักอย่างในสถานกร์ร่างกายในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีแต่ของอนิจจงไม่เที่ยงมีแต่มันเป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ เดี๋ยวก็หูบังเดี๋วก็ตาบ้างเดี๋ยกแข้งขาตีนมือมันสลุดสุดสมมันเสี่ยมไปทุวันทุวันเราจะคิดว่ามันนิ่งเฉยนะสังขารร่างกายเนี่ยมันเสี่ยมผ้าเสี่ยมไปมันไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์หรอกมันเสี่ยมไปแต่เราไม่ได้กําหนดเราไม่ได้พิจารณาอ่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเสี่ยมไปมันสลุดสุดสมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ความจริงมันไปอยู่ทุกวันนุวน คนตายก็ใกล้ก็มาใกล้ก็มากําลังจะถึงหลักประหารชีวิตแล้วอืพอไปถึงแล้วจะทำไงเขาจะช่วยก็ได้ไม่มีใครช่วยกันได้หรอกเกิดแก่จะตายมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่อดีตการพระพุทธเจ้ายังทรงประสูตอยู่ก็เป็นอย่างนี้มีแก่มีเจ็บมีตายมีพลาดพากจากกาันเป็นสิ่งธรรมดามาถึงปัจจุบันทุกวันก็เป็นอยู่อย่างนี้ ธรรมะของพระเจ้าท่านแนะนําท่านสั่งสอนท่านตัดไว้ยังคงเส้นคงวาเรานอนนาไปไประเพื่อปฏิบัติได้รับผลแน่นอนเราไม่ต้องสงสัยคาใจสงสัยในใจว่าปฏิพฤติปฏิบัติยุคนี้สมัยนี้มันจะหมดเว ล, มเวลามันหมดสมัยหมดจูเรือไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้าเหมือนเดิมถ้าเราน้อมนําไปยังดีทุกกระเบียดนิ้วเลย แล้วนั่งสมาธิก็เห็นความจริงเรารักษาศีลก็ได้รับอาเนสง่งแล้วทําบุญก็ได้บุญทําบาปก็ได้บาปแล้วปฏิบัติธรรมกระพ้น ท, ท, ท, ท, ทุกได้นั่นทําไมจะไปสงสัยคาใจคองใจให้เราดําเนินต่อไปพี่น้าต่อไปตื่นขึ้นมาให้นั่งสมาธินอนก่อนนอนกให้นั่งสมาธินั่งมันทวันให้เป็นจิตจวัด ถ้าเราเคยนั่งเรามันไม่นั่งมันก็ไม่สบาย อ, อกสบายใจแล้วนั่งตัวนดวนดดวนมันก็เห็นเองเลยอยู่จะสงบไม่สงบไม่สําคัญสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้หลวงปู่ขาอยู่ว่าตั้งเพลทสั่งลูกหลานเดินยังก็ไม่เจอเดินไปอแล้ววันหนึ่งมันจะสะดุดใจมันจะสงบสักนิดหนึ่งมันประทับใจได้บุญอานี่สูงมากใจมันสงบ เดินมันสมบูรณ์ไปเดินอยู่เงี้เดินไปเดินมาสักวันมันจะนึกถึงพุโทโธใจจะอยู่กับพุโทโธหรือรวมหาใจก็ได้บุญได้อนันเนส่งท่านคิดอย่างนั้นนะเพราะเราบางที่บาสนาบารมีเราเพิ่งจะสร้างใหม่เพิ่มใหม่ทำมาใหม่มันยังมันมีนิสยัยอุปนิสยัยมันก็ต้องลำบากหน้อยต้องอดต้องทนต้องต่อต้องสู้ต้องต้องเริ่ม มันว่างนันนะทำไปทำไปมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นศรัทธาก็ดีขึ้นศรัทธาก็แจกระก็อยากอยประพฤติอยากอยกปฏิบัตินั่งเหรอมันเห็นนั่งแล้วมันรู้นั่งแล้วมันฉลาดนั่งแล้วมันมีความสุขมีความสมบายมันก็ยังนั่งต่อไปนั่นถ้าเราไม่นั่งซะเลยเนี่ยจะเอาดีมาจากไหนเอาเจริญมาจากไหนเอาบุญมาจากไหนออายุยานไปก็ตายเฉย ตายเลยตายอยู่กับความมืดผมบอดไม่รู้เรื่องรู้ราวธรรมะธโ ม, มไม่เคยฝึกเคยฝนมไม่เคยพินิจพิจารณาใจมันล้นวนเละฝุ่งซ่านมุนวายไม่รอดมันจะไปหรอไม่มีเศษไม่แดดหรอกคนไม่มีธรรมะไม่มีหลักเมืองคนไม่มีบ้านฝนตกแดดออกไม่ทราบจะไปพึ่งพระอาศัยที่ไหนหนาที่พึ่งไม่ได้บ้านไม่ได้สร้างเอาไว้อหรือสร้างแล้วมันผุมันพังแล้วไม่ซ่อมไหม่ ดูแลรักษาฝนตกลงมาก็โดนพายุมากก็โดนลมมาก็โด น, าโดนาหาที่พึ่งเวลาจําเป็นก็อยู่ด้วยความ ล, ลาบากตายแบบทุกข์ยากเห็นใจคนที่เขาเฉลา่เขาวายามดูแลเทคแก่บ้านก็เป็นยังไงมันทะลุปูงปงมันไม่ดีก็าซ่อมก็แซมก็ดูแลเวลาฝนตกแดดออกก็มีที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่อบอุ่นใจโอ้นี่เรามีที่พึ่งนะ พคนตรงมาแล้ววิ่งเข้าไปอาศัยได้คนที่สร้างบุญสร้างกุศลก็เหมือนกันโอ้เราได้ปฏิบัติดําเนินดเดินตามพระพุทธเจ้านะท า, น, ะานแล้วก็ให้ศีลแล้วก็ ร, รักษาภาวนาแล้วภาวนาคิดมาเวลาไหนออก็ดีอกดีใจโอ้เรานี่ไม่เสียทีเกิดขึ้นมาดีแล้วได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติได้สะสมบุญกุศลจิตใจผ่องใสางาม ทงามทังงม้งภายในนอกใจบริสุทธิ์ขดผ่ดองสีนก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์ตานแ้วจะไปไหนถ้าใจดีแล้วมีที่ไป เ, เป็นที่ไปแน่นอนมีที่ไปที่ดีแน่นอนถ้าใจไม่บริสุทธิ์แล้วไม่ทราบว่ามันจะไปตัวไหนตั้งแต่ยังไม่ไม่ตายมืนกัไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้ว จะไปดีเม่หรือไปไม่ดีมันต้องรู้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ว่าตาแล้วยิงจะรู้ตายแล้วไม่ไประโยชน์เนื้อหนังบางสาธาสีดินน้ำลมไฟไม่มีใครต้องการไม่มีใครอยากได้มีแต่ไปฝังไปเผาคนที่ตายมีคุณค่าหนึ่งคนที่มีคุณธรรมปฏิบัติธรรมถึงก็มีเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาก็ยังมีคุณค่าราคาในชีวิตชีวาของเราตายไม่เสียทีเกิดขึ้นมาดี นั่นเราจะเอาแบบไหนเราได้ยินได้ฟังมามากมายแล้วเราต้องทําให้ได้ต้องทาให้ได้ภาวนามันทุกวันกําหนดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อใจมันอยู่กับพุโทโธแล้วมันเยือกมันเย็นมันสบายอารมณ์ทั้งหลายที่มันแทรกแซงก็มาเราสามารถหักห้ามได้สามารถเอาชนะ กิเลสทั้งหลายที่มันมาโ ย, ายนชนในทำผิดวงผิดเพราะสติดีปัญญาดีเพราะเราฝึกมาดีเพราะธรรมะคุ้มครอง น, น่อยู่เป็นสุขได้ทุกเวลาเราต้องมั่นใจวันนี้ก็ให้ธรรมะญาติโยมพอประมาณขอให้ลูกหลานทุกคนจงตั้งอยู่ในคุณพระศรีรัตนนาตาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกได้มาได้สุขได้เตียนได้พำนได้สอนได้น้อม น, น, น, นำมารประพฤติปฏิบัติขออนุทนาทุกคนขอมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเมื่ออยู่ในโลกนี้ข อ, ขอให้เจริญ้วยอายุวรรณะสุขะพละเมื่อจากโลกนี้ไป ขอให้ไปดีมีสุขมีสวรรค์เป็นที่อยู่ข้าวไม่ต้องหาปลาไม่ต้องซื้อสวยสิ์ที่พระสมบัติอยู่บนสวรรค์หนึ่งวันบนสวรรค์เท่ากับร้อยปีในโลกมนุษย์อยู่อย่างสุขสบายถึงไปไปไม่ถึงพระนิพพานก็ขอให้ไปพักผ่อนอยู่บนสวรรค์อยู่อย่างสบายไม่อยู่แบบโลกมนุษย์ทั้งหลายนี่โลกมนุษย์เราทั้งหลายเนี่โอ้ยมันไม่ใช่สุขหรอกมีจะทุกข์มีแต่ความวุ่นวาย ย่บนสวรรค์ไม่ต้องทุกข์มีแต่สุขมีแต่บายกายกระถิบอาหารกทิถิบอะไรก็ดีหมดเมื่อจิติจากสวรรค์มาเกิดลูกมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ดีเป็นลูกเศรษฐีคุมพีมีเงินมีทอ ง, ม, ทองมีสมบัติพระสถานมีทั้งข่าตาดัดบริบาลมีทุกสิ่งตุประการพ่อก็ดีแม่ก็ดีญาติก็ ด, กดีพี่น้องก็ดีสามีภรรยาตึกล้านบ้านตลาดเงินตทองเข้าของมีบริบูรสมบูรก็ คนะว่าเป็นสวรรค์นในโลกม น, นุษย์อันหนึ่งเนี่ยวันนี้ขอให้พวกท่านราชวงศีทุกคนามะสบความเจริญประสบความสำเร็จด้วยตัวหน้ากันเถิด